จะโยมจะอธิบายธรรมะได้เก่งกว่าพระอีกพระไม่จําเป็นแล้วต่อไปนี่จะโยมโยมก็จะสอนธรรมะกันพระก็ต้องไปเรียนกับโยมมีใช่ไหมพระไปเรียนกับแม่สิริไปเรียนกับอาจารย์สนองไปเรียนกับอาจารย์ในที่เป็นคึ้นหัดหลายๆท่านนั้นเองโยมอย่าไปดูถูกตัวเองไม่ได้ทีเดียวเพียงแต่ขอให้ได้ ส, สัมมาสติเท่านั้นเล้า ก, การเรียนรู้โยมสัมผัสได้มากกว่าพระเหตุการณ์วันๆหนึ่งร้อยอย่างพันอย่างนี่ แต่พระอยู่ในวัดในวันเหตุการณ์ไม่กี่อย่างใช่ไหมมันมันหลากหลายกักนเยอะเลยดังนั้นอย่าประมาทตัวเองพยายามจับความรู้สึกที่มันเป็นสมาสติเนี่ยให้ชัดเจนแล้วสิ่งที่เราจะเรียนรู้เนี่ยโอ้เยอะแยะเลยเกินนะมหาศาลเลยแต่ขอให้ได้ตัวรู้ที่ตัวพุทธะที่แท้จริงนั่นเองอย่างเนี้ยถ้าหากว่าจะให้มามาพูดหรืออย่างนี้มันก็พูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเหตุการณ์ในชีวิต ใช่ไหมเราไม่ได้ผ่านละเอียดขรณ์อันนี้แต่มาพูดส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาบาลีเยคุณนภาษาบาลีใช่ไม้ม <c> เ <oughs> ข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างบางครั้งก็งงไงมัน เ, เราจะเห็นว่าอันนี้คือข้อได้เปรียบของโยมแล้ว เ, เหตุการณ์จริงเท่านั้นใช่ไหมเป็นนี่ก็เป็นจริงๆถูกด่าก็ถูกดา่าจริงๆอโดนตรหนิก็โดนตำหนิจริงๆ ถ, ถูกดูถูกก็ดูถูกจริงๆอดังนั้นเองเนี่ยโยมจึงเข้มแข็งเพราะอะไรเพราะ เจอแต่ของจริงเท่านั้นเลยนะแต่พระก็เหมือนคนอยู่ในร่มโยมก็เหมือนคนอยู่กลางแดดนะเจอก็ต้องทนอย่างเดียวใช่ไหมดังนั้นเองอันนี้เราก็แต่พระที่อยู่กลางแดดมากกวโยก็มีนะไม่ใช่ว่าอาธอยู่ในล่มหมดนะก็คือหมายความว่าเขชิญเหตุการณ์จริงไม่ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแต่ว่าก็ไม่ประมาท ถ, ถึงไม่กลัวก็ไม่ประมาทดังนั้นเองก็วันนี้เราเข้าใจเรื่องสมถะกับวิปัสสนาต่างกันชัดเจนอย่างไร เข้าใจถึงเรื่องรูปนามชัดเจนอย่างไรเข้าใจถึงเรื่องอริสสีเป็นอย่างไรนี่การเรียนรู้เพราะฉะนั้นเองอาจารย์ไหนที่เป็นสมาธิทิไม่ว่าสายไหนก็ตามวิธีการไหนก็ตามเอามาก็จะเชิญมาช่วยกันหลายๆด้านเพื่อประโยชน์ของเราก็คือให้เราเข้าใจชัดเรื่องนี้แล้วเราจะช่วยกันทํางานหาความสุขใส่ตัวเองหาความสุขเหลือเผื่อคนอื่น แล้วลูกเราจะได้สงบเย็นเรื่อยๆนะอันนี้จึงให้เอาไปพิจารณาแล้วก็เริ่มจับความรู้สึกให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นเราเห็นชัดมันไม่ได้ต้องอาศัยเวลามากหรอกเพียงแต่ว่าเราจะมีศรัทธาในการจับรายละเอียดต่างๆได้ต่อเนื่องแค่ไหนท่านั้นเองนะรู้ไปตอนแรกก็รู้บ้างเผลอบ้างนานๆเผลอน้อยลงรู้มากขึ้นต่อไปก็รู้มากขึ้นเรื่อยๆตามลามําดับทางเปอร์เซ็นต์ แต่ขอให้มันเป็นจริงตามกำลังของเราไม่ใช่ไปแปลงไปเพิ่มไปเติมไปแต่งตามความอยากแต่ว่าให้สัมผัสของจริงเห็นของจริงมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไปเมคไปสร้างไปเสริมไปเติมไปแต่งมันเนะ่ยเดี๋ยวมันก็ยุบมาที่เก่ามหาของเก่ามีเท่าไหร่ก็เหลือเท่านั้นแต่เราไปตีฟองตีอะไรมันขึ้นมันไม่ใช่แต่นั่นเองในจุดเนี้ย เราจึงพยายามเรียนรู้ของจริงนะไม่ไม่หนีความจริงในขณะเดียวกันก็ไม่ไปรับไปปฏิเสธเพียงแต่เป็นผู้ดูรู้ไปเรื่อยๆเหมือนการลดน้ำํำลดใส่ต้นไม้ลดไปเรื่อยๆไม่ต้องไปอยากจะให้ต้นไม้มันยืดไปจับต้นไม้ยื่นขึ้นก็ไม่ใช่นะไม่อยากจะให้ต้นไม้มันเป็นผลกับผลปฏิเทมันก็ไม่ใช่มีหน้าที่รดน้ํารดไปเรื่อยๆแล้วต้นไม้เรียกเติบโตของมันเอง เรามีหน้าที่เอาใจใส่ดูแลความรู้สึกตัวดูแลการเคลื่อนไหวดูแลการอยิบหยากจับเฉยดูแลการทํางานดูไปเรื่อยดูใจดูกายดูใจไปเรื่อยๆดูรูปกับนามไปเรื่อยๆลักษณะอย่างนั้นเหมือนเราลดน้ําแล้วสติปัญญาของเราก็เหมือนต้นไม้มันก็เติบโตไปเองโดยที่ไม่ต้องพยายามให้มันเติบโตมันก็เติบโตนะมันเป็นธรรมชาติเหมือนต้นไม้เราลดน้าใส่ปุ๋ยทุกวันมันก็เติบโตของมันเองไม่อยากให้มันโตมันก็โตไม่อยากให้เป็นผลมันก็เป็น จิตของเราก็เหมือนกันถ้ารับการดูแลเอาใจใส่ในทางที่ถูกมรรคผลที่พานมัก็โตขึ้นเองตามลำดับไม่ต้องปรารถนามันก็ถึงแต่ถ้าเราไม่เอาใจใส่ไม่ดูแลในทางที่ถูกปรารถนาอะไรก็ไม่ถึงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นดับตอนนี้ไปเราทําวัดกันคน